อลิสในดินแดนมหัศจรรย์บลายวันอาทิตย์แก่ๆวันหนึ่งอลิสกับพี่สาวตัดสินใจไปที่สวนขณะที่พี่สาวของเธอนั่งลงพร้อมกับหนังสืออลิสก็เบื่อในการรอพี่สาวเธอสัญญาว่าจะเล่นกับเรานี่แต่ชัดเจนว่าสำหรับผู้ใหญ่หนังสือเงียบๆมนสนุกกว่าฉันไม่เข้าใจผู้ใหญ่เลย นั่นก็แสดงว่าเราคงไม่มีทางที่จะเข้าใจตัวเองตอนที่เราโตสินนะอืโอ้อเราสายแน่เลยงานนี้กระต่ายพูดได้นาฬิกาติดกระเป๋าน่บแปลกจังนะตามเข้าไปดีกว่าอลิซไม่คิดเลยว่าจะกลับมายัางไง เธอลงไปในรูของกระตา่ายพันใดนั้นมันก็ไม่ใช่รูของกระต่ายอลิซตกลงไปในบ่อแปลกๆ ล, ลึกๆมันนานมากเลยนะบ่อ น, นี่นะมันลึกไปหรือว่าเราตกช้าไปกันแน่เนี่ยเราคงจะลงถึงใจกลางโลกวิลลมังเนียตอนนี้ เธอยืนที่ทางเดินยาวมีประตูล็อกเล็กๆอยู่ทั่วไปที่นี่มันแปลกมากเลยนะแล้วกระต่ายขาวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเราจะไปจากที่นี่ได้ยังไงและถ้าเราไม่ได้กลับไปอีกตลอดการล่ะเธอกลัวเลยเนดะินต่อไปลลนะแล้วก็เห็นโต๊ะกระจกสามขาบนโต๊ะนั้นมีกุญแจเล็กๆวางเอาไว้ โดยไม่เสียเวลาอลิซเปิดประตูเล็กๆโดยการใช้กุญแจนั้นเธอย่อลงเพื่อดูว่าอีฝั่งมีอะไรโอ้มันเป็นวิวที่น่าดูมาก ว, ว้าวนี่เป็นสวนที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเลยโอ้เราอยากจะเข้าไปในประตูนี้ได้จ้ะแต่เธอทำไม่ได้ เธอผิดหวังเลยกลับไปที่โต๊ะตรงนั้นเธอเห็นขวดอ๋อไม่เห็นขวดนี้เลยเมื่อกี้นี้นี่มันทำอะไรได้นะและเธอก็ดื่มมันลงไปเมื่อเธอดื่มมันตัวเธอเริ่มหมดเธอรู้สึกแปลกมากเธอเหมือนอยู่ในกล้องโทรทัศน์เลย เล็กเหมือนโดนส่องกล้องเลยทีนี้เราก็เข้าประตูนั้นได้ง่า ย, ายแล้วแต่หลังจากนั้น อลิสเห็นกลมกระจกเล็กๆที่อยู่ใต้โต๊ะนัน่นนันอะไรนะ่ะและโอ้เค้กนั่นทำให้อลิสตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเธอตัวสูงมากจนตอนนี้เห็นเท้าตัวเองไม่ได้ไม่นั้นหัวก็ชนกับเพดาน ตอนนี้อลิสหยิบกุญแจได้แล้วแต่ตัวใหญ่ไปเกินกว่าจะเข้าประตูเธอจึงนั่งลงแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้น้ำตาของเธอเริ่มทำให้ห้องน้ำท่วมและหลังจากนั้นโ อ, โอ้ท่านราที่นี่โกรแม่ถ้าเราทำให้ท่านต้องรอ้อง กับร้านชีนีได้ยังไงถ้าเกิดว่ามอไม่เห็นเด็กหญิงตัวใหญ่อย่างฉันตรงนี้นะ่ะอในนี้ร้อนมากเลยตอนนี้เ้าฉันทําอะไรอยู่นะเรามอไม่เห็นแล้วลนะ่ะหวังว่ามันจะทําให้ตัวเองสะอาดได้โดยที่ฉันไม่ต้องเช็ดโอ้พระเจ้าอลิซใส่ถุงมือสีขาวอ๋อเท่ากับมือฉันพอดีเลยนี่ โอ้ทำไมตัวฉันเล็กแล้วล่ะอ๋อเพราะพัดนี่เองพัดนี่ทำให้ฉันตัวเล็กลงตอนนี้ฉันตัวเล็กแล้วเออเกือบไปแล้วนะอ้อน้ำเค็มเหรอฉันตกลงมาในทะเลได้ยังไงกันเนี่ยจากนั้นไม่นานอาลิสก็รู้ตัว ว่ามันเป็นน้ำตาของเธอหลังจากนั้นเลือใหญ่พัดอลิซออกจากประตะะะูหวังว่าจะตัวแห้งเร็วๆนะไม่อยากจะเป็นหวัดนะ่ะมาทำอะไรที่นี่นะ่ะกลับบ้านไปแล้วเอาถุงมือกับพัดมาให้ฉันซะบ้านบ้านอะไรเหรอบ้านฉัน ตรงนั้นไงไปสิอลิสกลัวและสับสนมากเธอเริ่มเดินไปที่บ้านกระต่ายโดยไม่ถามเขาเลยเขาน่าจะคิดว่าเธอเป็นสาวใช้และเธอเข้าไปในห้องเล็กๆที่โต๊ะนั่นมีพัดและถุงมือและขวดเล็กๆฉันรู้ ว่าจะมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นถ้าฉันกินหรือว่าดื่มมาดูน้ำในขวดนี่จะทำอะไรได้บ้างฉันเบื่อแล้วกับการตัวเล็กนะ่ะออตอนนี้หัวเธอแตะเพดานอ๋อติดแล้วจากนั้นกระต่ายก็เข้ามา อลิสอึดอัดมากเธออยากจะยืดออกแต่ว้มีมือออกมาจากบ้านฉันโอ้อะไรกันเนี่ยว้ยักษ์ยักษ์มียักษ์อยู่ในบ้านฉันเออช่วยด้วยช่วยด้วยเราสัตว์มารวมตัวกันบิลทิ้งจกตัวเล็กถูกขอให้เข้าไปที่บ้านผ่านทางป่อกไฟ อลิสสามารถเอานิ้วเท้าเธอแยกเข้าปล่องไฟได้กระตายเกิดไอเดียซึ่งมันไม่ฉลาดสักเท่าไหร่อ๋ อ, อ, อ, อเฮคนี่มันอาจจะทำให้เราตัวเล็กลงได้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทันทีที่เธอตัวเล็กพอ อลิซวิ่งหนีออกจากบ้านไปออกจากสัตว์ทั้งหลายเข้าไปในปา่า โ, โอ้ก่อนอื่นเลยนะเราต้องกลับไปขนาดเท่าเดิมก่อนให้ได้โอ้ฮออฉันช่วยได้นะไม่ใช่ว่าตัวเล็กแบบนี้แล้วมันจะหน้าอับอายหรอกดูฉันสิโอ้อแน่นอนฉันไม่ได้ว่าเธอหรอกนะเธอสวยงามมาก มันก็แน่อยู่แล้วใช่ด้านหนึ่งจะทำให้เธอสูงขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็จะทำให้เธอเตี้ยลงอีกด้านอะไรนะเหตุยังไงแล้วคำถามก็คือถ้อจะรู้ได้อย่างไงว่าเหตุมันมีด้านไหนบ้าง เพราะว่ามันกลมไปหมดสุดท้ายอลิซบิดเห็ดมาจากทั้งสองฝั่งเธอกัดชิ้นจากมือขวาจากนั้นเธอก็คอยาวขึ้นเรื่อยๆอยัางกับทวงงอกจากนั้นเธอก็กินจากมือซ้ายและตอนนี้เธอก็ตัวเล็กลงกว่าเดิมเธอเหนื่อยเลยกินเห็ดไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆบางทีก็สูงขึ้นบางทีก็เตี้ยลง สุดท้ายเธอก็สามารถกลับมาเป็นขนาดปกติได้แแผนเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้น่าสับสนจริงๆเลยเก็บเห็ด น, นี้ไว้ดีกว่าเผื่อว่ามันจะต้องกินอีกนะต้องขับคุณหนา น, นนั่นนะแต่ว่าเขาก็แปลกพิลึกดีไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้เขาหัวเราะได้โอ้ ใครไม่แปลกบ้างหลหรอแม่หนูโ อ, อ้สวัสดีค่ะเอ่อขอถามหน่อยได้ไหมคะคุณยิ้มแบบนั้นตลอดเวลาเลยเหรออ๋อใช่แน่นอนฉันน่ะเป็นแมวชเชสเตอร์เอ่อขอโทษทีนะคะฉันไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงบอกมาสิเธอเจอแมดเฮดเธอ กับมัสแฮ่ไหมแมทเฮเธอร์กับมัสแห่เหรอไม่ไม่เคยโอ้แต่ต้องเจินนะทั้งสองคนน่ะบ้าเหมือนกับเธอและก็ฉันเฮ hey, ฉันไม่ได้บ้านะโอ้เธอมันบ้าแน่นอนจากนั้นแมวก็หายไป ทิ้งเสียงหัวเราะเอาไว้อลิซคิดว่ามันแปลกมากแต่เธอก็เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วเดินต่อไปสงสัยว่าเธออยู่ในดินแดนแบบไหนกันเมื่อเธอเดินไปเธอก็เจอกับมาร์ชแฮร์และแมทแฮตเตอร์พวกเขากำลังดื่มชาบนโตะ๊ะแล้วบนโต๊ะก็มีหนูตัวเล็กๆนอนอยู่ด้วยทั้งสองพักศอกอยู่บนตัวของมันมันดูไม่สบายจริงๆด้วย แไม่แน่หนูอาจจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาหลับอยู่ไม่มีที่ไม่มีที่แต่มันคือโต๊ะมือเที่ยงนะมีที่มากมายเลยเธอจะต้องตัดผมสักหน่อยอยากคายจริงๆบอกเ ม, มิร์ซิทำไมอีกาชอบโต๊ะเขียนหนังสืออ่อไม่รู้เหมือนกันฉันเลยบอกว่าเธอนั่งตรงนี้ไม่ได้ยังไงเล่าฮืม <c oughs> <c oughs> แค่เพราะว่าฉันแก้ปริศนาของเธอไม่ได้เหรอได้ ก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยฉันเลยมาก่อนอฉันไม่รู้ไม่รู้มาตั้งนิดเดียวเลยล่ะนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่เป็นปาร์ตี้น้ำชาที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยไปเลยเธอเดินไปอลิสก็เจอกับประตูในต้นไม้เธอระวังเหมือนปกติแล้วก็เข้าไปเมื่อเธอเข้าไปเธอก็เจอกับประตูเล็กๆและ โต๊ะกระจกครั้งนี้เราจะระวังให้มากขึ้นแล้วเธอก็เริ่มโดยการเอากุญแจเปิดประตูจากนั้นเธอก็เจอกับสวนสวยอีกจากนั้นเธอเอาเห็ดออกมากัดจนตัวเตี้ยลงไป1ฟุตแล้วเธอก็เดินเข้าไปในประตูตรงนั้นมีดอกไม้ต้นไม้สวยงามมากมาย และที่หนึ่งมีชาวสวนที่ดูเหมือนกับไพ่และที่น่าแปลกใจก็คือพวกเขากำลังทาดอกกุหลาบขาวให้กลายเป็นสีแดงบอกได้ไหมคะว่าทำไมจะต้องทาสีดอกกุหลาบด้วยรลชิีนี่สังให้เราทากุหลาบแดงแต่เรากลับพลาดไปทาสีขาวถ้าเกิดว่าท่านราชินีรู้เธอจะต้องตัดหัวเราแน่เลย ท่านราชนิมาแล้วอู้นี่ใครกันนะม่อมฉันชื่ออลิสค่ะท่านแล้วสองคนนี้ล่ะใครกันเหรอม่อมฉันจะรู้ได้ยังไงตอนนั้นราชิน้โกรดมากมตัดหัวเธอเลยเอ อ, เออแต่แต่ว่าเธอเป็นแค่เด็กนะท่านนะข้าให้อภัยเจ้า เริ่มดำเนินคดีได้แล้วคดีอะไรเหรอมีคนขโมยท้าจากครัวของท่านราชินีเราสงสัยว่าจะเป็นแจ็คออฟฮารที่ทะลุขุนมีทั้งนกและสัตว์ต่างๆพวกมันรีบเขียนอย่างรวดเร็วให้ทันเวลาอ่านข้อกล่าวหาออกมาเลย ราชินีแห่งหัวใจทำทาสตออกมาในวันของน้าร้อนเ้วแจกออฟฮาร์ก็ขโมยทาสตไปแล้วมันก็เอาหนีไปเลยดีมากงั้นก็เรียกพยานคนแรกมาเลยพยานคนแรกคือแฮตเตอร์เขาเข้ามาพร้อมกับแก้วชาในมือและขนมปังกับเนยในอีกมือเขากลัวมากเอาแต่ยืนพูดอย่างตะกุกตะกัก เธอนี่พูดไม่เก่งเลยนะไปซะเอาพยานอีกคนมาพยานคนที่สองคืออลิสแต่ว่ามีอะไรแปลกๆกับเธอเธอเยืยนขึ้นแล้วเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองสูงมากเธอทำให้สัตว์ลูกขุนทั้งหมดหน้าคว่มล้มลงและราชินีโกรธมากโอ้ตัดหัวเธอเดี๋ยวนี้ตอนนั้นอลิสทนไม่ไหวแล้ว จะไปสนเธอกันล่ะเธอพูดแบบนั้นตลอดเวลาเลยเธอก็ค่เพื่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละตอนนั้นไพ่บินขึ้นไปบนอากาศบินใส่อลิสเธอกรีกทั้งโกรธและกลัวเธอทำลายพวกมันและหลังจากนั้นอะอาทายออกไปนะอาไปไพ้าหายไปไหนแล้วราชนินีล่ะเออ ฝันไปเหรออ๋อเป็นฝันที่วิเศษจริงๆไปแล้วให้พี่ฟังดีกว่าโอ้มันเป็นความฝันจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แน่เหรอจบแล้วจ้ะ